หลวงตามหาบุญยนสัมปันโนได้ให้อวาทธรรมเอาไว้ว่าณสิยาโลกวัตชโนคนเราถ้าไม่เห็นความสำคัญในตนเพียงอย่างเดียวย่อมขาดความสนใจที่จะรักนวลส ม, มนตัวเพื่อประพฤติดีตลอดถึงการทำงานเพื่อความสมบูรณ์ภูมผลในทางโภคทรัพย์อาจเป็นคนปล่อยตัวปล่อยใจให้เสียไปบรรลงเล็กและน้อยจนกลายเป็นคนหมดหวังไม่มีทานพึ่งตนเองได้ แม้คนอื่นจะมาพึ่งก็พึ่งไม่ได้ในธรรมท่านสอนไว้ว่าอย่าประพฤติตัวเป็นคนรคโลกความไม่เห็นตนสำคัญเพราะไม่เห็นใจเป็นสำคัญนั่นแหลวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปผ่านไ ป, านไปหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยวันคืนปีเดือนที่ผ่านไปนั้นก็เท่ากับชีวิติตใจของเราผ่านไปด้วยและผลประโยชน์ที่จะพึงได้แก่เราจากศาสนามีอะไรบ้าง ควรคำนึงเสมอเพราะมนุษย์เราฉลาดกว่าสัตว์ทั้งหลายควรจะยึดความฉลาดนี้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นผลประโยชน์อันดีงามแจ่ตนจะสมภูมิว่าเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบท่านกล่าวไว้ในคำว่าจิตโฉมมนุษย์สัติลาโพความเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากท่านว่าแต่เราเป็นผู้เกิดได้ง่ายตามอานาจวาสนาของตนที่ได้สร้างความดีมาพอสมควรจึงได้เป็นมนุษย์ และได้มาพบพระพุทธศาสนาที่สอนอย่างลงที่ดวงใจและไม่มีผู้ใดที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะผู้พูดเหล่านั้นไม่ใช่พูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงพูดด้วยความสงสัยพูดด้วยความด้นเดาคำพูดที่มีจำนวนมากน้อยจึงปลอมไปเกือบเท่าตัว องค์พระหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนได้เล่าชี้ว่าประวัติของท่านในขณะที่ไปอุปถากหลวงภูเขาอนาลโยขณะที่องค์ท่านอาพาธที่วัดถ้ำกองเพนเอาไว้ว่าวัดถ้ำกองเพนในช่วงตีพุทธศักราช2510ที่ท่านหลวงภูขาวป่วยนั้นยังเป็นเหมือนมีงานในวัดแออัดไปด้วยผู้คนหญิงชายพระเนนและขรวที่มาจากที่ต่างๆจนทางวัดไม่อาจรับรองได้ชั่วถึง ทั้งที่พักหลับนอนอาหารการบริโภคต่างให้ช่วยตัวเองบ้างเราก็มาอยู่กับท่านเป็นประจำหลายวันจะกลับไปค้างวัดสะเคินสองคืนก็ต้องรีบกลับมาทั้งนี้เพราะเป็นห่วงท่านมากและเพื่อความสงบเรียบร้อยในด้านอื่นๆแต่ก็เดชะบา ร, รมีของหลวงปู่ท่านคุ้มครองรักษาสถานการณ์ทุกด้านสงบเรียบร้อยดีสหรับอาการของท่านเมื่อพบฉันอะไรไม่ได้ ธาตุขันก็ยิ่งสุดลงอย่างเห็นได้ชัดในสายตาทั่วๆไปเมื่อเรียนถามถึงความเป็นอยู่และการจากไปท่านให้เหตุผลอย่างจับใจไยเราะมากว่าจะมีอะไรในธาตุขันอันนี้จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่ได้วิตกวิจาร์อะไรเสียไดยเพราะก็เห็นแต่ธาตุดินน้ำลมไฟอันเป็นส่วนผสมของธาตุรวมตัวกันอยู่เท่านั้นถ้าผู้รู้คือใจประสะจากเสียเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันก็กระจายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนทันที ไม่รอฟังเสียงใครๆทั้งสิ้นผมเองก็เ ค, เคยครองขันนี้แบกขันนี้มารูป80สปีนี้แล้วก็ไม่เห็นได้สิ่งพึงใจสนองตอบจากขันอันนี้ที่เด่นๆก็มีแต่ทุกเท่านั้นทั้งทุกย่อยทุกใหญ่สแสดงอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ไม่เคยเห็นความสงบสุขของขันปรากฏให้รู้เห็นอย่างชัดเจนบ้างเลยเวลาปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็สแสดงทุกประจำขันขึ้นอยู่มาอยู่นั่นแหลเช่นเจ็บนั้นปวดนี้ ตามอวัยวะน้อยใหญ่ไม่เห็นแสดงความสุขให้เห็นที่ว่ากันว่าสุขสุขนั้นก็เสกสรรเอาเฉยๆด้วยความติดปากติดใจในสุขต่างหากความจริงแล้วร่างกายส่วนต่างๆไม่เคยแสดงความสุขอย่างเด่นชัดให้เห็นเหมือนการแสดงทุกข์ให้แบกขามซึ่งแต่ละครั้งแทบสลบสลด์และตายได้ถ้าทุกข์นั้นไม่หยุดการแสดงตัวใครๆอย่าไปหลงลมหลงแ้ ง, ง, ง, งในขัน ว่าจะเอาสุกมาแจกแบ่งพอให้ดีใจบ้างนอกจากทุกร้อยแปดขณาไม่จบสิ้นเท่านั้นที่มันจะมาทุ่มให้แบกให้หาเรื่อยมาพูดจบประโยคแล้วองค์ท่านยิ้มนิดๆราวกับองค์ท่านยิ้มยอดกิเลสวิบากของกิเลสคือขันที่กำลังครองอยู่จะให้ผมแบกกองฟืนกองไฟไปหาอะไรโดยเข้าใจว่าขันนี้จะเอาของอัศจรรย์มาหยดยื่นให้ผมไม่สงสัยในขัน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 ไม่ได้เกี่ยวกับขันจะหายโรคจะพินาศดังที่เข้าใจนั้นขันจะหายหรือจะตายไม่สำคัญแต่สำคัญที่ให้กิเลสตายจากใจเพราะธรรมที่แสดงนี้เผาผลาญ น, นั่นเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพวกเรานักปฏิบัติธรรมดังนั้นจงพาการพิจารณาตรายตรองด้วยปัญญาในธรรมที่กล่าวมาจะเป็นกาลังใจและส่งเสริมอุบายสติปัญญาถอดถอนกิเลสภายในออกได้ เป็นวักเป็นตอนที่ความเคารพในองค์ท่านลุงปูขาวอย่างยิ่งเมื่อท่านดับขันเข้าสู่นิพพานเราจึงได้เขียนประวัติองค์ท่านอนาลโยเพชรน้ำหนึ่งผู้ไม่มีอาลัยไว้เป็นประโยชน์ในบรวรพุทธศาสนาสืบต่อไปหลวงตามหาบัวญาณสำปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่าน ในขณะที่ไปสนทนธรรมกับหลวงปู่ชอบฐานะสโมโุเอาไว้ว่าเราไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่ชอบฐานะสโมโุท่านเล่าว่าเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมท่านแต่ละครั้งมีจํานวนมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่มากเหมือนที่มาเยี่ยมฟังธรรมท่านพระอาจารย์มั่นภุริทโตบางครั้งมาในราว60บางครั้งมาในราวร้อยถึง200บางคราวมาราวห้ายถึงห0ร้อ บางครั้งก็เป็นพันผ่นแต่ห่างๆมาเครื่องนุ่หงห่มของเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่มาในบางครั้งมีสีขาวล้วนบ้างสีแดงล้วนบ้างเป็นแบบเดียวกันหมดไม่ก้าวไกลกันทุกพวกทุกครั้งที่มาไม่มีเครื่องประดับตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเวลาเข้ามาหาพระผู้ทรงศีลธรรมเด็นที่เคารพมากเทวดาถือกันว ห, หนาประกาศห้ามไม่ให้ใส่เครื่องประดับตกแต่งเข้าไปหาพระให้นุ่หงห่มแบบเรียบ เหมือนพุทธมารมากะชาวพุทธมีกิริยามารยาทสวยงามมากติดตาติดใจเห็นแล้วไม่จืดไม่จางมนุษย์เราน่ายึดเอาแบบอย่างของเขามาใช้เมื่อเวลาเข้าไปหาพระสงฆ์ในวัดหรือที่ใดก็ตามจะน่าดูไม่อุจจารบาดตาบาดใจเกินไปเห็นแล้วทุเรศปลงไม่ตกกลัวจะตกนรกมากกว่าแต่ใครละ่ะจะสามารถนาเรื่องของเทวบุตรเทวดามาเล่ามาสั่งสอนมนุษย์ให้เชื่อถือและยอมรับปฏิบัติตามได้บ้าง ใครจะกล้ายอมรับทําหน้าที่นี้เล่าแม้เพีงได้ยินใครเล่าเรื่องเทวดาเปรตผีให้ฟังบ้างไม่ทราบว่าเล่าเล่นเล่าจริงก็จะถูกหัวเราะเยาะเย้ยคืนเอากฎระเบียบของเมืองเทพเมืองผีมาใช้ในเมืองมนุษย์เขาก็จะหาว่าบ้าไม่มีสติโรงพยาบาลปากคลองศานก็จะไม่ยอมรับเป็นคนไข้แล้วจะไม่ตายทิ้งเปล่าๆทั้งที่บ้ายังติดตัวไปด้วยหรือท่านพูดแล้วหัวเราะกันไปพักหนึ่ง เราก็ปากอยู่ไม่เป็นสุขจริงเรียนท่านเล่นบ้างจริงบ้างเป็นการอย่างเสียงดูว่าเช่นเมืองไทยเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลานี้ก็กําลังจะกลายเป็นเมืองนอกไปหมดแล้วทั้งหญิงชายทั้งหนุ่มสาวเท่าแก่เพราะคนไทยเราสั่งสอนง่ายไม่เป็นคนหัวแข็งลื่รรันเหมือนคนเมืองอื่นๆยิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยแล้วคนไทยยิ่งชอบและถอดแบบของใครๆมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยําหรือยิ่งกว่าครูเสียอีก ทั้งจำอะไรที่แปลกหองแปลกตาได้อย่างอัศจรรย์ยิ่งการแต่งกายแบบเมืองเทพซึ่งใครๆไม่เคยไปเห็นแม้ผู้นักท่องเที่ยวอวกาศก็ไม่มีหวังจะได้เจอได้ชมการแต่งกายของพวกเทพพอจะนำมาอวดโลกได้เลยด้วยแล้วถ้ามนุษย์ได้รับการแนะแนวทางบ้างแล้วเข้าใจว่าจะมีผู้สนใจไม่น้อยเพราะเป็นแบบของคนชั้นสูงพอจบประโยคต่างคนตารร่างหัวเราะกันพักใหญ่แล้วท่านว่าให้เราว่าคำพูดของท่านมักพิศดารเกินไป ถ้าขืนทำตามท่านผมต้องไม่ได้อยู่ในเมืวลชัยแน่จะต้องถูกในประเทศไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเขาจะหาว่าผมเป็นเพื่อนกับพวกนั้นและจะขับไล่ให้ไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีนั้นแน่นอนบรรดาเทวดาหลายพวกที่มาเยี่ยมท่านในเวลาต่างๆกันนั้นมีความคิดเห็นรักชอบทำต่างๆกันบางพวกชอบรับศีลก่อนฟังธรรมบางพวกลขอฟังธรรมเลยทีเดียวบางพวก ชอบฟังธรรมสังโยชน์เบื้องบนบางพวกชอบฟังธรรมสังโยชนเบื้องต่ำบางพวกชอบฟังธรรมจักกับปวัตตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียมยติสูตรบางพวกชอบฟังสังฆะธรรมบางพวกชอบฟังเมตตาพรุงวิหารบางพวกชอบฟังสูตรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยก็มีเราเจิงใจต้องบอกกับเขาว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนมาเขาก็ขอฟังสูตรอื่นๆ ที่เขาชอบต่อไปกลางคืนก็ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์แล ะ, จะเจริญธรรมทบทเมตตาเขามีความซาบซึ้งในธรรมที่ท่านสวดมากไม่อยากให้จบลงง่ายๆการสวดมนต์ก็เพียงนล็อยู่ในใจไม่ได้สวดเสียงดังพอจะได้ยินถึงใครๆแต่เวลาเทวดามาเยี่ยมเขาขอยห้สวดสูตรนั้นๆให้มากกว่าสูตรอื่นๆเขาเป็นสุขใจและชอบฟังมากกว่าสูตรอื่นๆขณะท่านสวดมนต์เขาสนใจฟังอย่างเพลิดเพลินดังนี้ ท่านถามเขาว่าทราบได้อย่างไรว่าอัตมาสวดมนต์สูดนั้นๆเขาตอบท่านทันทีว่าเสียงสวดมนต์ของพระคุณท่านสะเทือนไปทั่วพิภพจะไม่ได้ยินอย่างไรได้ทำเป็นของละเอียดอ่อนอยู่แล้วเมื่อยกขึ้นประกาศด้วยการสวดหรือสังวัทยายก็ต้องดังกังวานไปทั่วพิภพให้รู้ทั่วถึงกันทั่วโลกกระา